อยากทำบุญแต่ไม่มีเงินทำบุญอย่างนั้นทำทุนด้วยการเข้าใจให้ถูกว่าแค่ส่งสุขผ่านยิ้มก็ได้ชื่อว่าทำบุญแล้วปัญหาหนึ่งของชาวพุทธที่อยากทำบุญคือรู้สึกถึงกระเป๋าแห้งๆของตนแล้วเกิดความอ่อเยี่ยวควักกระเป๋าทำบุญแล้วไม่เป็นสุข เลยไม่รู้สึกว่าตนมีสิทธิทาบุญบ่อยๆแทนการลงทุนด้วยเงินเปลี่ยนเป็นการทำทุนด้วยความรู้ที่ถูกแล้วคุณจะพบโอกาสในการทำบุญที่มีอยู่มากมายระหว่างวันธรรมดาบุญคือการทำอะไรดีๆอันเป็นทางเจริญแก่ตนเองและผู้อื่นฉะนั้นยิ้มก็เป็นการทำบุญ เพระสร้างความสุขความเป็นกุศลความเจริญตาเจริญใจให้ตัวเองและใครๆได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าใจดีๆ ด, ด้วยว่าการยิ้มที่จะได้บุญไม่ใช่แค่ปั้นยิ้มเกรงเกรงไม่ใช่แค่ยิ้มแห้งแห้งจากเจตนาสร้างมีความสุขหรือทําเป็นแกล้งส่งความสุขเข้าตาคนอื่น แต่ต้องฝึกยิ้มออกมาจากใจจริงกระทั่งกลายเป็นนักแจกสุขผ่านรอยยิ้มหรือเป็นแหล่งกำเนิดความสุขจากตัวเองกันจริงๆลองนึกถึงแ i r h โฮสเตดที่ถูกฝึกให้ยิ้มโปรยความสุขบางคนทำได้จริงทำได้จนเป็นตัวเองกระทั่งสามารถบรรดาลใจ ให้ผู้โดยสารเกิดความรู้สึกราวกับกาลังจะก้าวผ่านประตูแห่งความสุขเข้าสู่เขตแดนแห่งความสุขอันกว้างใหญ่ไม่ใช่แค่เข้าประตูเครื่องบินเล็กๆ เ, เพื่อไปนั่งในที่อุดอูแคบๆยิ้มจริงใจจากจิตที่กว้างขวางมีสิทธิ์แปลโลกความจริงอันคับแคบของคนอื่นให้เปลี่ยนตามกันไปได้ขนาดนั้น คนถูกจับฝึกให้ยิ้มแจกสุขเหมือนกันแต่ทำไมผลจึงไม่เหมือนกันนี่เป็นเรื่องของโลกภายในที่รู้เฉพาะตนหากคุณฝืนยิ้มแจ่มจ้าตามหน้าที่นานไปจะยิ่งรู้สึกเป็นภาระยิ่งฝืนยิ่งฝืนเมื่อกล้ามเนื้อบริเวณแก้มและปากมากขึ้นทุกทีแต่ถ้าหากเจตนาให้คนอื่นเกิดความสุข คือลรงอยู่ว่าเขาจงรู้สึกดีในทันทีที่เห็นคุณยิ้มแจ่มกระจ่า ง, งเสมือนโตคุณเป็นดวงอาทิตย์ที่ชอบส่องแสงแห่งความเบิกบานคุณจะค่อยๆเพิ่มอานาจชนิดหนึ่งในตนตามธรรมชาติการปรุงแต่งจิตและกายกล่าวคือกายใจจะค่อยๆเพิ่มพลังปะทะสายตาคนเห็นในทางบวก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์บวกหรือกระทั่งยกระดับจิตคนอื่นได้แบบเฉียบพันนั่นแหละเขาคันฝึกทําบุญจนได้บุญเป็นปกติพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้สุขย่อมได้สุขให้กําลังย่อมได้กําลังดังนั้นการส่งสุขส่งกําลังใจให้คนอื่น ผ่านประกายตาหรือรอยยิ้มจึงนับเป็นการให้ทานเป็นการแผ่เมตตาเมื่อสร้างความชุ่มชื้นให้คนอื่นบ่อยเท่าใดตนเองยอมชุ่มชื้นด้วยน้ำใจเมตตาบ่อยเท่านั้นผู้ทำเมตตาให้เจริญบริบูรณ์ยอมอยู่อย่างเป็นสุขยอมตายอย่างเป็นสุขเมื่อเกิดใหม่ก็เกิดอย่างเป็นสุข ไม่ไปอยู่ในที่อัตคัดขัดสนมีใบหน้าที่ดูดีคนเห็นแล้วนึกรักนึกเอ็นดูกับทั้งมีรูปปากพร้อมยิ้มโลกเปิดโดยธรรมชาติสรุป ค, คือฝึกยิ้มให้เก่งก็ได้ทำบุญบ่อยๆทำชีวิตนี้และชีวิตหน้าให้ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทแล้ว